จเจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4มกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระของวันแรกของปีใหม่สาธุชนจึงได้ตั้งใจมาบำเพ็ญ ภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้กระทำในวันพระกันเพื่อจะได้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อไปชีวิตเราเปรยใหม่นี้จะดีไม่ดีก็อยู่ที่การมาปฏิบัติตามคำสอนของข้อพุทธเจ้า ถ้าปฏิบัติได้มากผลดีก็จะเกิดขึ้นมากถ้าปฏิบัติได้น้อยผลดีก็จะเกิดขึ้นน้อยอยู่ที่ตัวเราเองเป็นผู้ที่จะต้องสร้างเหตุขึ้นมาปฏิบัติเองไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้ไม่มใีใครสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับเราได้ เราต้องเป็นผู้สร้างเองโดยอาศัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําทางชีวิตของเราจึงต้องมีที่พึ่งสองสวนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าพุทธทางธรร ม, มังสังขังสารนังกชามิเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นผู้สั่งผู้สอนเราแล้วเราก็ต้องถืออัตตาหิอัตโนนาโถเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่สั่งสอนเราเท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติผู้กระทำถ้าเราได้รับคําสอนแต่เราไม่นำเอาไปปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นมา เราจึงต้องมีทั้งอัตตาหิอัตนโนนาโถและมีทั้งพุทธัรรมธรรมังสังฆังสรนังกัจฉามิตามฝ่ายต่างรมหน้าที่ไม่เหมือนกันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็จะไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ดีที่างามที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับเราได้เราจึงต้องมีสาระที่พึ่งทั้งสองนี้เราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือถ้าใครมาสอนอะไรที่แตกต่างจากคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอย่าไปเชื่อเพราะแสดงว่าไม่ใช่ทางที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญ ต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่ทานั้นถ้ามีการขัดแย้งกันระหว่างคำสอนของผู้อื่นกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้ที่ นำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีคำสอนของผู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถสั่งสอนให้สัตว์โลกนั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังในเรื่องที่ปรากฏขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้า ไกล้จะเสด็จดับขันธ์ปานิพานมีชายคนหนึ่งมีความสงสัยในเรื่องคำสั่งคำสอนของอาจารย์ต่างๆจึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำสอนอันใดเป็นคำสอนที่จะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญความสิ้นทุกข์ที่แท้จริง พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคำสอนของพระองค์แต่พระองค์ทรงตัดเป็นกลางๆว่าคำสอนใดก็ตามถ้ามีมรรคที่มีองค์แปดเป็นส่วนประกอบก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องสามารถนําพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มักที่มีองค์แปดนี้มีอะไรบ้างองค์ที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้ององค์ที่สองเรียกว่าสัมมาสังกปโปมีความคิดที่ถูกต้องข้อที่สามองค์ที่สามเรียกว่าสัมมากรรมันโตมีการกระทำที่ถูกต้องข้อที่สี่เรียกว่าสัมมาวาจา มีการพูดที่ถูกต้องข้อที่ห้ามีสัมมาอาชีวโ์โวคือมีอาชีพที่ถูกต้องข้อที่หกสัมมาวายามโมมีความภาคเพียรที่ถูกต้องข้อที่เจ็มีการระลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่แปดมีสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นของใจ นี่คือองค์แปดของมรรคที่จะเป็นผู้ที่พาให้สัตว์โลกได้ไปออกจากกองทุกข์ได้พบกับความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับไปกอ จ, จะเป็นของผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอน ที่มีมรรคที่เป็นองค์แปดนี้องค์แรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเป็นอย่างไรเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงการเวียนว่าตายเกิดมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้ผลบุญของบาปก็คือ ถ้าเป็นผลบุญก็คือสวรรค์ถ้าเป็นผลบาปก็เป็นอบายเป็นนรกนะการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีสามารถเกิดขึ้นได้นี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ขยันเราจะได้ไม่ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการไปใช้กรรมใช้บุญถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิคือตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิคือไม่เชื่อว่าบุญมีบาบมีผลแต่อย่างใดทำบุญแล้วก็ไม่ได้ผลทำบาปก็ไม่ได้ผลเพราะเวลาร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เท่าไป ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดใหม่นี่คือมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายไม่มองเห็นอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นจิตใจคนเรามีสองส่วนมีร่างกายและมีจิตใจเวลาตายไปร่างกายตายไปกลายเป็นที่เท่ากลายเป็นเศกระดูกไปผู้นี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญ ผลบาปร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปแต่ผู้จะไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจที่เรามองไม่เห็นกันใจนี้เป็นร่างที่เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนเป็นผู้สวมทับร่างกายของเราอีกทีหนึง่งเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเราทำอะไรต่างๆด้วยความคิดต่างๆคิดดีเราก็พูดดีทำดี คิดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีทำไม่ดีพอทำแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นคือความสุขความทุกข์ภายในใจความสุขนี้ความสุขใจนี้ก็คือสวรรค์ความทุกข์ใจนี้ก็คือนอรกพอทำไปมากๆ ม, มันก็สะสมกลายเป็นกองภูเขาไปเวลาตายไปก็เลยต้องไปรับผลบุญผลบาปขนาดเท่ากับกองภูเขา ว่าเราทำบุญทำบาปอยู่เกือบทุกทุกวันด้วยกันนี่คือสัมมาทิฏฐิเราต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายไปแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปในนรกในสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้ามีความสามารถที่จะปฏิบัต มรรคแปดได้ครบบริบูรณ์ก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาลัยตศสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงกันผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในมรรคที่มีองค์แปดนี้ย่อมรับได้ผลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดยุคพระพุทธเจ้าก็บรรลุถึงพระนิพพานได้ ยุคในสมัยปัจจุบันนี้ก็บรรลุถึงพระนิพพานได้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันหมดสภาพหรือไม่มีวันหมดสมถภาพประสิทธิภาพคงเส้นคงวาเหมือนเดิมถึงแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีก็ตามคุณภาพของพระธรรมคำสอนที่จะนามา พาสัต์โลกให้ได้เล็ดลอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมพวกเราไม่ต้องสงสัยขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างมรรคที่มีองค์แปดนี้ขึ้นมาสามาทิถีเกิดจากอะไรขั้นต้นก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมพอเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่า สิ่งเหล่านี้มีจริงพอรู้แล้วขั้นที่สองก็เราต้องเอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าลืมบุญอย่าลืมบาปนะตายแล้วต้องไปเกิดไปแนวโลกไปสวรรค์คอยสอนเตือนใจอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะคิดทำบาปก็จะได้หยุดได้ถึงเวลาที่จะทำบาปก็หยุดได้ถึงเวลาที่จะพูดบาปก็จะหยุดได้เพราะไม่อยากที่จะไปรับผลบาป ที่จะตา ม, มานั่นเองพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะมีสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องคิดทำบุญคิดละบาคิดชำระใจที่ชำระกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพอเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็จะพูดจะคุยจะชวนเพื่อนฝูงไปวัดกันไปทำบุญกัน ชวนญาติสนิทนิสหายไปทำบุญกันไปละบาปกันไปปฏิบัติธรรมกันพอมาถึงวัดก็มาทำทานกันมารักษาศีลละเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเนี่ยนี่คือการกระทำดีพูดดีคิดดีเรียกว่าสัมมาสังสกปโปสัมมากรมันโตและสัมมาวาจา แล้วเราก็จะคิดไม่ทําอาชีพที่ไม่ดีอาชีพที่ไม่ดีเป็นอย่างไรอาชีพที่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นอ า, อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ทําจะไม่ทําอาชีพค้าขายอาวุธที่จะเอาไปใช้ฆ่าผู้อื่นจะไม่ทําอาชีพขายยาพิษไม่ขายสุรายาเมา ไม่ขายาสิ่งเสพติดทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นถึงแม้แ ว, ว่าเราจะไม่ได้เสพแต่เราก็ไม่ควรที่จะขายไม่ควรที่จะส่งเสริมไม่ควรที่จะร่ำรวยจากความทุกข์ของผู้อื่นเพราะนี่เป็นการสร้างเงินทองบนกองทุกข์ของผู้อื่นเช่นคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ คนขายคนที่มีอาชีพฆ่าก็มีเงินมีทองจากความตายของผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงห้ามอย่าให้ทำให้เรามีความเมตตาต่อกันแล้วเราจะได้ไม่ถูกผู้อื่นเขาฆ่าเพราะถ้าเราส่งเสริมการฆ่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเขาก็กลับมาฆ่าเราถ้าเราส่งเสริมการไม่ฆ่า ไม่มีการฆ่ากันต่อไปก็จะไม่มีการฆ่ากันเราก็จะไม่ถูกฆ่าตายเราก็จะตายแบบธรรมชาตินี่คือสัมมาอาชีวิวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชีพแล้วข้อที่6ก็คือให้มีสัมมาวายาโมให้มีความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องคืออะไร ไม่ใช่การเพียรไปหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความเพียรแบบนี้จะพาให้เราไปทำบาปได้เวลาเราอยากได้เงินทองมากๆง่ายๆเร็วๆ เ, เ, เราก็อยากเราก็จะทำบาป ก, กันแล้วเราก็มาอ้างว่าการรักษาศีลนี่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน คามจริงมันไม่เป็นอุปสรรคหรอกถ้าเราไม่โลภมากถ้าเราทำหมากินแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เราสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างสบายอย่างพระนี่ก็ไปขอทานแค่นี้ก็พอแล้วไปขอทานบินสบายกลับมาได้อะไรกินมื้อเดียวก็จบละไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลยการที่เราอยากได้เงินมากๆก็พอเราอยากจะ ซื้อของแพงๆอยู่บ้านหรูหรหลาๆใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆที่ไม่จําเป็นไม่ได้ทำให้ความทุกข์เราน้อยลงไปไม่ได้ทำให้ความสุขเรามากขึ้นไม่ได้ส่งให้เราไปสวรรค์แต่อย่างใดให้เรามาทำความเพียรเพื่อส่งให้เราไปสวรรค์ส่งให้เราไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าก็คือให้เราขยันมาทาบุญทาทานกัน ขยันมารักษาสิ่งกันขยันมาปฏิบัติธรรมกันอันนี้เรียกว่าความเพียรที่ถูกต้องและข้อที่เจ็ก็คือให้เรามีความระลึกรู้ที่ถูกต้องการระลึกรู้ที่ถูกต้องนี้คืออะไรก็ให้เรารู้อยู่เรื่องเดียวเราอย่ามีอย่าไปรู้ทีหละหลายหลายเรื่องด้วยกันมีทาอะไรก็ให้รู้อย่าง ก, กับเรื่องเดียวที่เรากำลังทาอยู่ เช่นเรากำลังแปลงฟันก็ให้รู้กับเรื่องแปลงฟันกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้กับเรื่องของรับประทานอาหารอย่าไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านแล้วจะทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราไม่สบายเวลาเรามีความทุกข์ใจเราจะหยุดความคิดไม่ได้เพราะความคิดนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจ แต่ถ้าเรามีสติคือการระลึกรู้ที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะหยุดความคิดหยุดความเครียดได้ดังนั้นเราต้องมาฝึกเจริญสัมมาสติกันคือระลึกรู้อยู่เรื่องเดียวจะรู้อยู่กับร่างกายก็ได้หรือจะรู้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้ท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีพุทโธอยู่กากับคู่ไปกับใจ พร้อมกับการดูงานที่เรากำลังทำไม่ใช่ให้อยู่แต่พุโทโธแล้วทำอะไรก็ทำผิดผิดถูกถูกอันนี้ต้องให้ความสำคัญอยู่กับการกระทำก่อนถ้าเราทำอะไรเราก็จดจ่อดูการกระทำแต่ถ้าใจเราเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุโทโธเดินกลับมาให้กลับมาดูงานที่เรากลำลังทำกันอยู่เรียกว่าสัมมาสติ กาเล่าเลืกรู้ที่ถูกต้องแล้วถ้าเราเล่าเลกรู้ที่ถูกต้องเราก็จะมีสัมมาส ม, มาธิตามมาคือใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พอเราได้รับความสุขที่เกิดจากสัมมาส ม, มาธิแล้วเราก็จะ ปล่อยวางได้เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอไม่มีความอยากต่างๆภายในใจใจก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็ไปพรนานนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอรหันตสาวกเป็นนครนิพพานนครเป็นนครที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีมรรคที่เป็นองแปดนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเข้าหาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสอนแต่เรื่องมรรคที่มีองค์8นี้เท่านั้นจะไม่สอนเรื่องอื่นจะไม่สอนให้ไปหาหมอดูจะไม่สอนให้ไปดูห่วงจุย้ย จะไม่สอนให้ไปเดินลอดใต้ทุนโบทจะไม่สอนให้ไปนอนในโรงจะไม่สอนให้ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลของพวกนี้มันไม่ใช่เป็นมัดไม่ได้ทำให้เราได้ไปสวรรค์ไม่ได้ทําให้เราปลอดจากการไปเกิดในอบายปลอดจากการไปเกิดในนรกเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่าไปเชื่อหมอดูอย่าไปเชื่อคุณใสอย่าไปเชื่ออะไรต่างๆที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นความจริงความจริงอยู่ที่มรรคที่มีองค์แปดนี้เท่านั้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมมรรคนี้มีไว้เพื่อทำให้เราปฏิบัติกรรมดีเพื่อผลดีที่จะตามมาไม่ไปทำกรรมไม่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้เกิดผลที่ไม่ดีตามมา ความจริงมีเท่านี้นอกนั้นเป็นเรื่องเละเรื่องเลวไหลทั้งนั้นหมอดูดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมันจะไปรู้เรื่องอะไรดวงจันทร์มันจะไปรู้เรื่องอะไรเราไปตั้งชื่อมันขึ้นมาแล้วก็สมมุติมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตเราเป็นยังไงไปหาหมอดูแล้วเป็นยังไงดีตามที่เราอยากได้ดีหรือเปล่าเป็นมหาเศรษฐีได้หรือเปล่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่า ไม่ได้หรอกของพวกนี้มันเป็นของที่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ปฏิบัติมรรคแต่นี้ไปแล้วเดี๋ยวพอบรรลุแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไปหาหมอดูนี่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนับไม่ถ้วนชาติรับรองได้ เพราะว่าหมอดูนี่เขาไม่รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพออย่าไปเชื่อพวกคนหูหนวกตาบอดให้เชื่อคนตาดีคนตาดีในโลกนี้มีเพียงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่สามารถเดินทางไปถึงที่ปลอดภัยได้ พวกเรานี้ยังเดินไปหากองทุกกองไฟกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเรายังไม่เชื่อพระพูธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เชื่อแทงเล็กๆน้อยๆพอหามปากหอมคอส่วนใหญ่ก็ยังไปเชื่อกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลองอยู่เราจึงต้องร้องห่มร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเชื่อพระพูธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราปฏิบัติตามได้อย่างเต็มที่รับรองได้ว่า เราจะไม่มีวันร้องห่มร้องไห้อีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการหมั่นมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อที่จะได้เห็นผลพอเห็นผลว่าดีขึ้นจิตใจดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง มีความวุ่นวายใจน้อยลงก็จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดสามารถปฏิบัติได้เต็มที่เลยสามารถออกบวชได้ออกบวชเป็นพระเป็นชีปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปในที่สุดตรวขึ้นอยู่ที่การเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วมีความเพียรพยายามที่จะมา ฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆฉนั้นในปีใหม่นี้ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปตามําดับก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีความเพียรที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนความสุขจะมีมากขึ้นไปความทุกข์จะมีน้อยขึ้นไปอย่างแน่นอนนี่คือของแท้ของจริง ไม่ใช่จเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญเพราะการจเจริญลาบยศสรรเสริญนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ที่จะตามมาเพราะลาบยศสรรเสริญนี้มีวันที่จะต้องเสื่อมไปเวลาเสื่อมไปความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญก็จะกลายเป็นกองทุกข์ขึ้นมาดังนั้นความจเจริญทางลาบยศสรรเสริญจึงไม่ใช่เป็นความจเจริญทาง ที่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงต้องเจริญที่ใจความสุขที่ใจความทุกข์ที่ใจน้อยลงไปเท่านั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันาสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ